ภพสเนี่ยนะการเกิดขึ้นของขันห้าในการมาพบรูปประพบเป็นต้นเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากมโนสันเจตนาหารเพราะฉะนั้นความที่เป็นไปเหล่านี้เนี่ยนะอยู่โดยปราศจากกับพลิงการาหานผัสสาหานมโนสันเจตนาหารวิญญาณอาหารไม่ได้โดยเฉพาะขันห้าในภูสามเนี่ยนะเออเฉพาะขันห้าเนี่ยเฉพาะในปัญจโวการภพเนี่ยนะ แล้เน้นพิเศษกามมพบอยู่โดยปราศจากกับพลีกราหารภัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารไม่ได้เพราะขันห้าเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยอาหารเธอเห็นว่าขันห้าเกิดเพราะเกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยใช่หรือไม่เธอเห็นอย่างนั้นไหมเห็นว่าขันห้าเกิดจากปัจจัยไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะถามต่อไปอีกว่าแล้วเธอเห็นว่าขันห้าเนี่ยถ้ามันดับ ขันห้าซึ่งมีสภาวะดับเป็นธรรมดาเธอเห็นว่าถ้าขันห้าจะดับเพราะดับปัจจัยดับอาหารใช่หรือไม่เช่นถ้ารูปรูปของเราทั้งหลายถ้าตัดอาหารเนี่ยตัดน้ำตัดข้าวตัดข้าวตัดน้ำเหลือกี่วันดีไม่เธออาจถ้านั่นนิ่งๆอาจจะได้เนี่ยนะแต่ถ้าขยับตัวทำงานแบบทุกวันเป็นปกติเนี่ยนะไม่ถึงเนี่ยนะตัดทั้งอาหารตัดทั้งอะไรนะตัดข้าวตัดน้าตัดทุกชนิดเลยนะ ไม่รับอะไรอีกต่อไปเนี่ยได้สามวันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะทีนี้ถามถามว่าถ้าตัดอากาศหายใจอ่ะอันนี้เร็วเลยนะไม่กี่นาทีนะไม่กี่นาทีเนี่กรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะแสดงว่ามันอยู่ด้วยปัจจัยแล้วความรู้สึกเวทนาเนี่ยนะถ้าปราศจากภัรษะเนี่ยถ้าดับภัรษะเวทนาจะเกิดได้ไหม ไม่ได้ถ้าสัญญาสังขารเนี่ยนะถ้าดับผัสสะนี่อยู่ได้ไหมไม่ได้วิญญาณเนี่ยนะถ้าดับนามดับรูปดับตาดับสีดับหมูดับเสียงดับจมูกดับกลิ่นไป็นต้นเนี่ยนะวิญญาณจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าดับอวิชชาดับตัณหาดับกรรมดับอุปาทานดับอาหารนะดับนามรูปขันห้าเหล่านี้จะเป็นต่อไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เธอเห็นว่าขันห้าถ้าจะดับได้ก็เพราะอาหารดับดับปัจจัยได้ใช่ไหมเธอเห็นอย่างนั้นไหม เห็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยนะความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขั น, ขนหา้าใช่หรือไม่เอางี้เลยว่าถามว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายจะสงสัยเนี่ยนะสงสัยในขันห้าใช่ไหมถ้าความสงสยัสงสยสงสัยเกิดว่านี่มันขันห้าใช่ไ้มที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันสงสัยสงสัยว่างไงสงสัยว่าขันห้าหรือว่าเราไอ้เราหรือขันห้าปกตินะ ปกติเนี่ยเราเราเอ๊ะนึกถึงชีวิตของตัวเองปั๊บเนี่ยมาเริ่มสงสัยแล้วนะยังไงกันแน่หรือมองเห็นนึกถึงคนอื่นปั๊บเนี่ยบางทีก็เริ่มเริ่มเอะใจได้เวยังไงกันแน่ใช่ไหมความสงสัยเคลือบแคลงในขันห้าใช่หรือไม่ถ้าสงสัยเราไปสงสัยที่อื่นเลยก็สงสัยในขันห้านี่แหละไอ้วัตถุที่ตั้งแห่งความสงสัยมันไม่ได้มีที่อื่นมันมีอยู่ในขันห้าขันห้าจึงเป็นที่ตั้งแห่งความสงสยัยเนี่ยนะ ถ้าเธอจะสงสัยสงสัยเพราะสงสัยในขันห้าใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค้าถ้าจะสงสัยสงสัยต่อไปอีกว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดเพราะอาหารหรือเนาะเอ๊ะจริงหรืออะขันห้าเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะมีผู้สร้างอ่ะถ้าจะสงสัยนะอย่างชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยหรือว่าเกิดเพราะมีผู้สร้างหรือเกิดลอยๆหรือเกิดตามเวรตามกรรม หรือขันห้าพวกเรามันเกิดยังไงกันแน่มันมาจากอะไรถ้าจะสงสัยสงสัยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมบอกอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ขันห้ามันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยสงสัยตัวขันห้าด้วยสงสัยเหตุที่ทําให้เกิดขันห้าด้วยแล้วก็สงสัยต่อไปอีกว่าเอ๊ถ้าจะเคลือบแคลงว่าขันธรรัจจกัดับไปเป็นธรรมดาเพราะอาหารดับอย่างนั้นจือเนอถ้าสงสัยก็สงสัยว่าเอ๊ขันห้าเนี่ยนะมันดับมันเองลอยลอยหรือเปล่า ขันห้ามันดับมันเองลอยลอยมันไม่อยากเกิดมันเบื่อมันก็เลยเลิกเกิดเลยมันเล้วแต ismus, ่มันอยากเกิดมันก็เกิดมันไม่อยากเกิดมันก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้าสงสัยเนี่ยสงสัยว่าตัวขันห้าสงสัยเหตุให้เกิดขันห้าสงสัยทำที่ดับขันห้าตรงเขาก็มีแยกอยู่สามคำนะขันห้าเหตุให้เกิดขันห้าความดับขันห้าเธอเห็นไหมว่านี้ขันห้านี้เหตุให้เกิดขันห้านี้ทำที่เป็นดับเหตุให้เกิด ขันห้าถ้าจะสงสัยสงสัยนี้ขันห้าใช่ไหมบอกใช่สงสัยเหตุให้เกิดขันห้าใช่ไหมบอกใช่สงสัยเหตุที่ดับขันห้าใช่ไหมใช่มันถ้าจะสงสัยมันก็สงสัยอยู่สามกลุ่มนี่แหละทีนี้ถ้าบุคคลผู้เห็นด้วยวิปัสนาปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงคือถ้าคนที่มีวิปัสนามีปัญญาเนี่ยนะเห็นขันห้าตามความเป็นจริงเขาจะละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือนอ ละไหมถ้าเห็นขันห้าเห็นรูปเป็นรูปเห็นรูปปะขันเป็นรูปปะขันเห็นเวทนาเป็นเวทนาขันเห็นสัญญาเป็นสัญญาขันเห็นสังขารเห็นวิญญาณเป็นวิญญาณขันคือเห็นขันห้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นขันห้าถ้ารู้อย่างนี้จะสงสัยในขันห้าไหมถ้ารู้อย่างนี้แล้วละความสงสัยได้ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าบุคคลที่มีวิปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องว่าขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดขึ้นถ้ารู้เห็นอย่างนี้จะละความสงสัยว่าอะไรเป็นเป็นเหตุที่สร้างขันห้าเกิดขึ้นใช่ไหมถ้ารู้จริงๆเลยนะว่ารูปขันเกิดเพราะอะไรเกิดเวทนาขันเกิดเพราะอะไรเกิดสัญญาขันเกิดเพราะอะไรเกิดสังขารขันเกิดเพราะอะไรเกิดวิญญาณขันเกิดเพราะอะไรเกิด เช่นรูปประคันเกิดเพราะอวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอาหารเกิดเพราะนิพพัติลักษณะของรูปรูปประคันก็เกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารขันจะเกิดเพราะอวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะผัสสะเกิดแล้วก็นิพพัติลักษณะลักษณะที่เกิดขึ้นของเวทนาสัญญาสังขารขันวิญญาณขันจะเกิดก็เพราะอะไรอวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดแล้วก็เพราะนามรูปเกิดและนิพพัติลักษณะลักษณะที่เกิดขึ้นของ โรคประขันเพราะบุคคลที่รู้ความเกิดขึ้นของขันห้าอย่างนี้ละอุเฉททิฏฐิพวกออุเฉททิฏฐิเชื่อว่าเกิดลอยๆเมื่อกดลอยลอยมันก็ต้องดับลอยลยเนี่ยนะพวกนี้ปฏิเสธเอ่อปฏิเสธเกิดทุกอย่างไม่ได้มีเหตุพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐิทีนี้เอ่อเพื่อจะดับสัตตะทิฏฐิถ้าขันเอ่อพวกสัตตะทิฏฐิเนี่ยเชื่อว่ามันยั่งยืนต่อไปใช่ไหม บางพวกชื่อว่ารูปเนี่ยยั่งยืนยาวนานตลอดไปเวทนาสัญญาสญญารหรือวิญญาณเนี่ยเป็นตัวล่องลอยอย่างภิสุสาติเนี่ยนะิสุสาติเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่ล่องลอยเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าหากว่ามีปัญญาเห็นเห็นอย่างถูกต้องด้วยวิปัสนาปัญญาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงวักขันถ้ามันดับไปเป็นธรรมดา่าดับอวิชชาได้ ถ้าดับอวิชชาได้ขันห้าก็ดับถ้าดับตัณหาได้ขันห้าก็ดับถ้าดับกรรมได้ตัณหาก็ดับถ้าดับกัดกับพ้าผลีกราหานได้รูปก็ดับถ้าดับภาษะได้เวทนาสัญญาสังขารก็ดับถ้าดับนามรูปได้วิญญาณก็ดับ และขันห้ามีวิปริณามาลักษณะลักษณะที่สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปมีลักษณะที่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าเธอรู้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงรู้เหตุให้เกิดห้าขันห้าตามความเป็นจริงรู้ความดับขันห้าทั้งหมดตามความเป็นจริงเธอจะสงสัยอย่างนี้ไหมบอกไม่สงสัยเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค้าจะละความสงสัยได้หมดเลย ทีนี้เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขันห้าที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนั้นหรือไม่คือถ้าเจริญได้ตามนี้จนบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะเธอดับความสงสัยเลยใช่ไหมหมดความสงสัยอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าเธอทั้งหลายหมดเมื่อเธอรู้เห็นอย่างทั้งหมดเหล่านี้แล้วเธอหมดความสงสัยว่าขันทั้งขันธปปัญจกะขันห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารใช่หรือไม่ อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยว่าขันท่าเนี่ยนะดับเป็นธรรมดาเพราะดับแห่งอาหารใช่หรือไม่ใช่สงสัยมาว่าทั้งหมดเนี่ยคือขันท่าสงสัยไหมว่าขันท่าเกิดเพราะอาหารเกิดสงสัยไหมว่าถ้าดับอาหารได้ขันท่าก็ดับเธอ ถ, ถ้าเธอรู้เห็นทั้งหมดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอจะดับความสงสัยได้ทั้งหมดใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ เธอทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนั่นขันห้าเกิดขึ้นใช่ไหมเธอเห็นอย่างนี้ใช่ไหมพิสุก็บอกเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแต่สำนวนเขาสำนวนในนี้อาจจะอ่านยากๆนิดหนึ่งแต่พูดแบบภาษาเราๆก็บอกเธอเห็นว่าขะเธอมีปัญญาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดนี่มันขันห้าทั้งนั้นแหละเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าบอกว่าใช่เอวังก็อย่างนั้นพระเจ้าค่าแปลว่าถูกต้องใช่ ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าขันห้าทั้งหมดนั่นแหละที่เกิดขึ้นเธอเห็นดีแล้วเห็นอย่างถูกต้องด้วยปัญญาอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขันห้าล้วนแต่เกิดจากอาหารทั้งหมดใช่ไหมเธอเห็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นด้วยดีอย่างถูกต้องด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าขันห้าเนี่ยนะ ดับเป็นธรรมดาถ้าดับอาหารคือดับปัจจัยได้ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้คันนะต้องดับแน่นอนอะ่ะเธอเห็นอย่างถูกต้องอย่างนี้จริงไหมอย่างนั้นพระเจ้าข้าอ่า น, นะก็แปลว่าอะไรนะผู้ที่เจริญได้ตามนี้เนี่ยเขามีทั้งหมดที่ผ่านมาอยู่ห้ารอบด้วยกันคําถามแค่แค่สามสามอย่างแต่ถามห้าครั้งเออเวียนอยู่หรอบเนี่ยนะก็เท่ากับสิบห้าคำถามเนี่ยนะทีนี้ หากเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ด้วยทิฐิเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบด้วยทุ่นอันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันสลัดออกมิใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันถือไว้บ้างหรือหนอก็ตรงนี้ก็แปลว่าใครที่เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนทั้งหมดเนี่ยคือขันหะทั้งหมดนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณทั้งหมดนี้คือรูป ทั้งหมดนี้คือขันห้าที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเกิดทั้งหมดนี้คือขันห้าซึ่งมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าดับปัจจัยได้ถ้ารู้เห็นอย่างนี้เนี่ยจะไม่สงสัยถ้าเพราะความสงสัยมันจะสงสัยในเรื่องขันห้าเรื่องเหตุเกิดขันห้าความดับขันห้าถ้าจะละความสงสัยก็เพราะรู้จักขันห้ารู้เหตุเกิดของขันห้ารู้ความดับของขันห้าถ้าคนที่มีปัญญาเห็นอย่างถูกต้องก็เห็นว่านี้ขันห้านี้เหตุให้เกิดขันห้านี้ ความดับเหตุให้เกิดขันห้าผู้ที่เห็นอย่างนี้อย่างถูกต้องชื่อว่าเป็นเป็นผู้ที่มีความเห็นอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมใช่อันนี้คือวิปัสสนาปัญญาเนี่ยนะอันนี้คือวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ผุดผ่องถ้าเพลิดเพลินติดในวิปัสสนาอีกละ่ะแม้ยฉันนี่เก่งจริงๆมีปัญญาเห็นอย่างนี้ได้คำว่าเพลิดเพลินติดใจปรารถนายึดถือวิปัสสนานี่แหละด้วยตัณหาและทิฏฐิ เธอจะเข้าใจไหมว่าวิปัสนาที่เราสอนทั้งหมดก็สอนเพื่ออะไรสอนเปรียบเหมือนทุ่นเพื่อข้ามฟากใช่ไหมเธอจะเข้าใจอย่างนั้นไหมเราแสดงวิปัสนาเนี่ยนะแสดงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานไม่ได้สอนวิปัสนาแสดงวิปัสนาให้ ยึดตันหาอยุดวิปัสสนาด้วยตันหาและทิฏฐิถ้าเธอยึดถือตันหาอยุดถือวิปัสสนาด้วยตันหาและทิฏฐิเธอจะเข้าใจคําสอนที่เปรียบเหมือนเรือไว้ข้ามฟากไหมจะเข้าใจไม้มว่าวิปัสสนาเปรียบเหมือนเรือข้ามฟากไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าเพราะอะไรเพราะโมตติดโู้ดีแล้วเกินวิปัสสนาของเราไงนะั้นก็เลยจบเลยเปรียบเหมือนอะไรนะ ก็บอกว่าเหมือนคนคนหนึ่งนะใช้ขวานขวานเนี่ยฟันต้นไม้ฟันเขาไปฉับหนึ่งโอ้เข้าไปลึกเลยเนี่ยนะอ้ขวานของเราคมจริงๆนั่งรูปจะคมขวานทั้งวันต้นไม้มจะขาดไหมขวานเนี่ยเขามีไว้เพื่อประโยชน์แต่ฟาดฟันต้นไม้ฉันใดวิปัสสนาทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะเพื่อที่จะประหารฉันธราฆาใน ขันห้าถ้าไปติดในขันห้าเข้าก็ไม่ได้เจริญแล้วต่อไปหรือแบบอะไรนะเรือนี่เรือหรือแพเพื่อประโยชน์แกการข้ามฟากพอขึ้นเรือขึ้นแพเสร็จแล้วก็นั่งชื่นชมเช็ดเรือเชิดแพอยู่นั่นแหละจะได้ข้ามฟากไหมไม่ได้ข้ามแล้วเพราะฉะนั้นหากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่นนะัไม่ถือว่าเป็นของเราซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์คือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะที่บริสุทธิผ์ผุดผ่องอย่างนี้ เธอทั้งหลายเพ่งรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเปรียบด้วยทุนเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในอันยึดถือไว้บ้างหรือหนอเธอจะเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนตามความจริงไหมว่าธรรมะที่เราแสดงไว้ทั้งหมดไม่ได้แสดงเพื่อให้ยึดถือแต่เป็นการแสดงเพื่อสลัดออกเปรียบเหมือนทุนไว้ค้าฟากถ้าเธอไม่เพลิดเพลินในวิปัสสนามุ่งแต่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยเธอจะเข้าใจใช่ไหมว่าธรรมนี้เป็นการแสดงเพื่อนําออกจากภพ อย่างนั้นพระเจ้าค่ะ้านนก็เชื่อเลยว่าเ อ, อคําสอนที่พระองค์สอนเนี่ยสอนเพื่อนําออกจากภพอย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้ในข้อต่อไปก็แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้เฉพาะว่าขันห้าเกิดเพราะอาหารเกิดหรือขันห้าดับเพราะดับอาหารแต่พระองค์ยังรู้ว่าอาหารก็มีปัจจัยอีกต่อไปส่วนอาหารที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นก็ไว้เป็นตอนบ่ายเนี่ยนะเชิญพอ้เช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน น, นะก็ท้ายที่สุดนี้เขอขอเราทั้งหลาย่าได้เป็นมิจฉาทิฐิเช่นกับพระสาติทิฐิของพระเรียเจ้าเหล่าใดที่นำออกจากทุกข์ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นกับพระเรียเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นด้วยเธิ น, นนะ